พอลงตาดเดี๋ยวนี้มีทั้งวิทยุและโทรทัศน์พร้อมเลยออกทั้งโทรทัศน์พร้อมทั้งใยแก้วพร้อมทั้งเมื่ออุดอนออกตามสายมันไปแต่ว่าตามไม่จริงส่งขึ้นเดาวเทียมท่องฟ้ามันเลยว่าส่งลงมารับได้ทุกแห่งทุกคนเกือบจะวัดทั่วโลกวันไปแต่ว่ามีผู้ใดมีเครื่องรับอันนี้ก็จูส่วนเจ้าถ้ำก็เลยตั้งจอ โทวลัทั์ขึ้นมาสองจอบักใหญ่ น, น่อยไปยหมือเศร้ามากก็ได้เปิดสดเลยเด็หลวงตาจีกอนชัยยังหันมากระเทศดให้ฟังบอชัดเจนลุกชัดฟัไปเห็นค้นชัดอันนี้บอกว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้ละ่ะดวงตาอยู่บันตาเป็นยังสี่ละเดี๋ยวนี้เห็นแล้วก็โอ้ชัดเจนอิหลีน่ยไปสองเครื่องมน่ไปใหญ่เด้ จอเกือบจอละเมตรพละวาะความกว้างของจอจอแบนชัดเจนแล้วก็บรเหลื่อมตาอีกเบิงหลวงพ่อก็ได้ถามมาเท่าไดร่ะจอหนึ่งคุณใช่ปะว่าหกมือนกว่าจอละหกหมือนกว่าอืมถ้าว่าเฮาเอามาเบิงเ้งหนึ่น่าจะคุ้มค่าขึ้นกันไหมพอลงตาเทศแต่ละมือ แสดงทําเป็นประจําันไปออ ก, ากงานเมื่อกีเขาจะออกโทรทัศน์เออเอางานต่างๆที่ไปงานลงตาไปเทศช่วยผาป่าตรงใหนตรงั้เขาก็ออกมาโทรทัศน์คือกันเทศวหงลงพ่อเองก็คืดปั๊บขึ้นมาคือกันเออเอาไปติดยูสล า, านหน้าคำหน่อยดีบ่ขึ้นขึ้นกันวัน่งวันนเ ม, มื่อกี้นี่ิไปบินฑบาตอยู่ในหมู่บ้านเขา ไปเห็นเขาติดจานจานเดาวเทียมจะรับทุทัศน์อีกหลวงพ่อก็เลยถามพ<ๆ>พเพราะผมเคยเห็นเขาหา้าเขามาติดเหมือว่านก็เลยถามมาเขาติดจานร้อเท่าใดเนี่ยติดจานได้เจ็ดพันในบ้านว่ะมันรับได้สักสักช่องรับได้มัดทุกช่องหลวงพอ่ออืมกระนาจะเอามา ติดในวัดเท่าจะดีมั้งขึ้นบนไปแต่ใจใ น, นก็คิดรับขึ้นมาอีกหลุกนองเท่ามีหลายระดับพระในวัดเท่าเรียว่ า, าติดทรทัตยุสาร่าเนี่ยแม่นยติดยุสาร่าที่แรกก็จะฟังเทศลงตาเทศกูบาจานองค์นันองนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน่นลงตาเป็นหลัก พ่เเอฟั่งไปฟั่งมากเมื่อนั่นเมื่อนี้เอาไปมากกับที่เบื่ออีกบาในเขาก็ที่ว pues ่าม nope ีมวยโลกเอมีการชกมวยโลกได้หมือเลยกับที่ลูกน้องก็เสนอขึ้นมาเอ๊ะฟังมวยเบิงมวยโลกดีมั่งลงพอพิวยอีกเอลงพอเออเอาเบิงกับเบิงนุกพิวยตีเอาไปเอามากกพ่อเบิงมวยโลกเลยเออเขาทาเว่เบิงมวยไทยลดลงพอพ่อยเบิงมวยไทยอีกกนละไป เอาไปมามีรล่การนะั้นได้ลงพอเอเขาไม่ให้ปากหมองหันมองหนีได้หมืด น, นีเเเน่เหรออ้าวเบิ้งนู้หัวเอาไปเอามาเมื่อกี้ล่ามไปเรื่อยคนละไปเอาไปก็มากกับเบิ้งหนังเบิ้งละครละบาดเนี่ยลูกน้องของเฮาอยู่ในนี้มีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทษปริญญาเอกเอเคนหนึ่งเขื่อช่ำนานมาในสิ่งมูลนียแล้วเอาไปคนหนั้นก็บเบิ้งช่องนั้นคนหนึงก็เบิ้งช่องนี้เอาไปอามาอิน ติรนออกอินเทอร์เน็ตมองหันมองนี้เกาไปบาต น, นี่เออเห็นหดชีบพงชี้เปื่อยไปทั่วละบาตเนวนไปผลที่สุดจะเข่าทําน่องที่หลวงปู่จามวานบาตเนี้เออพระไญยมพอบาตเนี่ยรับบระวาตบประว้คนไปนรกมันนรกมันบมดเต็มง่ายหลวงปู่จามวานเออมันเหตุไปทั่วได้ว่าเห็ดไปทั่วกับนรกบมเต็มง่ายแล้วพระไญยมพอบานเออปั่มตาไปรถคนไป มาว่าทําไป ก, า body, ากันเห็ุบ่ดีนรกยังมีช่องว่างที่จะให้พวกท่านตกอยู่หรอกมีมากอยู่นะพร้อมที่จะตกได้สวรรค์ก็บ่เต็มไงนิพพานก็บ่เต็มไงนรกก็บ่เต็มไงมันจะไปสรุปนั่นว่าไปมันพิจารณาเบิ่งแล้วมันบ่นนเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นเขาคิดอยู่คิดว่าจะต้องเป็นประโยชน์แต่ว่าโทษที่จะตามม่านมากไม้ ม, มหาศาลเขาสิ ก, กันได้บ้อบานี้ อนั่นแหละเพราะนั่นถ้าว่าสิ่งใดก็ตามถึกถ้าาว่ามันจะรอแหลมได้ทั้งสองด้านเข้าก็กวรจะปิดไว้ในเมื่อเขาเป็นหัวหนา้าโมเมนเข้าสิตมืดหูมือตาไปที่เดียวต่อไปพ่ายภาคนาอมันมากกว่านี้แล้วมันจะเจริญกว่านี้แล้วมันเป็นอย่งกว่านี้อันนั้นกับชุดแท้แต่วันไปอันน้มเา้าเกิมันให้ยุคปัจจุบันเี่ยพ่อจะกั้นกลางได้อยู่พ่อจะหามได้อยู่ เข้าขอควรจะหามไปหลูกล้านได้อย่าไปหาเห็ดออกนอกหลูนอกทางนะเมืองน่าหกในกีเนี่มันบเต็มไงเลยหลวงปู่จามบ้านผู้ใดเห็ดสัวมาพญายมพอบาเนียเงียบเขียวทาอยู่คนละไปเขียนบัญชีเลยล่ะผู้ใดเห็ดบดีบองามจับยนต์ลงนรกมัดว่าใจมันตกต่ำไปนรก กันผลใดาทาดีอ้าวไปสู่สวรรค์เจ้าหน้าที่ของเจ้าเจ้าก็าเป็นหนึ่งสี่เจ้าเป็นพระกินเขาของชาวบ้านเขาต่อมาพิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาถึงความเกิดความเสือ่อมมันยังคอยแมนอเจ้าจะไปหาเบิงโทรทัตสโยโยหัหิวกับเขาถาบขีแ้แล่ใส่ม่วยอย่างนี้มันแมนบอละ่ะเจ้าหัวโลนนะเจ้ามีผ้าเหลืองนะเอมันถูกต้องบอลล่ะเจ้าเป็นพระนะ เจ้าเฮ็ดจังสันมันบวชถือนะนั้นเป็นเรื่องของโลกนะเรื่องของถ้ำมันบวเป็นจังสันนะเรื่องของถ้ำพระพุทธเจ้าสอนจังไหรให้เหตุอันนี้จังถูกขังอนาตตาพระพุทธเจ้าไปบวชอยู่ในป่าเพิ่นถืออีย่างไปน้าแด่เพิ่นไปเห็ดจังไหรพระพุทธเจ้าไปอยู่ในป่ามันก็ดเป็นนั่งภ่อวนานาลับตากำหนดความเกิดความเสือ่อมกำหนดล่มหายใจเขาออก ตอนเพื่อนจะได้ตัดสลูถ้มฮะจากนั้นเพื่อนได้ตัดสลูถ้มเพื่อนก็นั่มถ้ำที่เพื่อนได้ตัดสลูธมาสอนพวกเข้าอีกพริกทุใดก็าตามกินเข่าของชาวบ้านฉันเข่าของชาวบ้านแล้ว พ, วพววอวได้พิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงความเกิดความเสื่อมแปลว่าปกุ้มคาเข่าเขากันผู้ใดพิจารณาถึงอเนจังทุกขังอนัตตาพิจารณาถึง ความเกิดความเสื่อมของหลางกายสังขารผู้นั้นกุ่มคาเข่าเขาเอี่คาอาหารที่เขาใส่บาทรให้เนี่ยอันนี้พวกเข้าคานว่าจิตใจปล่อยไปทั้งสั้นแหละบางมิตรปล่อยกับโลกกับโลกมล้วมิตรเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นก็ซ้าคัญอันนี้ก็ซ้าคัญอันนั้นก็เรื่องส้าคัญอันนี้ก็เรื่องซ้าคัญงานนั้นก็สําคัญงานนี้ก็สําคัญต้องไป ซ, อ ย, นนะ อ, ไปซอยงานนั้นต้องไปซอยงานหนี่ที่แทนงานไปหากินข้าวต้มขนม โมแมนไปซอยยังวะพลโละไปก็พ่อไปเห็นหน้าไปกินกระตมขนมกินคอดหลอดหนีอม่เคยซอยยังจะไปไปซอยยังว่าเขาว่าซอยกับซอยยังไปซอยกินบวกขึ้ไปซอยยังออขั้นว่าไปซอยงานมันก็ต้องไปเบิ้งเออกลัางกระทอกกลั่งกระโทนปัดกวาดทําความสะอาดเบิ้งไปซอยคู่บาอาจารย์ซอยเพิลนก่อนจะมีการมีงานอันนั้นเรียกว่าซอยแบงเบาผ้าละอันยังไม่ซอยวะทํไป อันนี้มันได้เวลานี่ยก็มา ก, กินเนกินกัคอดหอดนี้สัมวังหลังคกระโโนในเพลนอยังถามหาเงินน้าเพลนอีกว่าได้เท่าไดเมืออ่อเนี่ยเท่านั้นอีกคนเราไปบานแล้วว่ามาซอยงานเนี่ยนี่แหละอันนั้นคงานจำเป็นเนี่ยต้องไปซอยงานเพิลนผุนหัวเด้ไปซอยงานมองหันไปซอยงานมองนีคนเราไปบานงานเผากิเลสในหัวใจเจ้าของบ่อเบิง่งคนาไปนี่แหละงานนาทีของงานของพลันคืออย่าง พระพุทธเจ้าวพนวัตดูก่อนอาน o n เนท่านอย่าไปยุ่งกับศีละของเราตถาคตนะพุทธนะขนาดพระพุทธเจ้าจะปรินิพานอยู่แล้วลงไปะ่าน o n ถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับพระศีละของพระพุทธองค์นะที่จะว่างขันก่อนใกล้สิลุง่ยก่อนใกล้สิแจ้งในเมื่อพระองค์พ่านไปแล้วจะให้ขาพระองค์ปฏิบัติอย่างไรกับพระสีละกับกายของพระองค์เนะี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่า ยาเลยอา non เรื่องศีละเรื่องร่างกายของเราตถาคตเป็นนาทีของมัลลกษัตริย์เขาจะจัดการเองนาทีของพวกท่านเออนาทีการงานของพวกท่านให้พวกท่านทั้งหลายเผากิเลสเอใน้คิดในใจให้เหงื่อแทงหายไปงานอย่างอื่นเนี่ยงานจึงสี่เป็นงานของมัลลกษัตริย์เขาไม่ใช่นาะงานนาทีของพวกท่าน นั่นพระพุทธเจ้าเพระเน้นนักขนาดนั้นแต่พระอนุนก็บอกว่าแม่ยุ่ยไปเจ้าขาขณะว่าเขาถามขาพระองค์นะขาพระองค์จิตอบจังไหนกับเขาถ้าเขาถามพระพุทธองค์เออถ้าเขาว่าเขาถามใครปฏิบัติศีละของตถาคตเหมือนไปเจ้าจักรพรรดิด้อะอันนี้เพิ่งกับบรรยายไปแล้วบัดนี้อันนี้ห้าวพูดเอาห้าวพูดหลายเทือแล้วอันนี้แต่ห้าวจะมาเน้นจุดที่ว่า หน้าที่ของพวกเขามันคืออย่างนี่หน้าที่การงานติบจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้พวกเขานี่สอนพวกเข า, านี่สารุศาสิทั้งหลายนี่คืออย่างนี่อ่เนี่เข้าจะไม่เน้นจุดนี้บ่เนี้จุดนี้ก็คืออย่างก็คือให้เบิ้องให้เผากิเลสจบของทั้งยืนเดินนางนอนรับตื่นออพอระลึกขึ้นมาได้ก็เผากิเลสจบของ เห็นถือว่าความแก่ของเขาไปเจ้าแก่เพื่อพบปันหาไหลเนือ้อไล่มาพ่อตลอดแก่มากตลอดอีกความเจ็บความตายใกล้เข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันอีกสักมือหนึ่งกับ น, นั่นแหะเหมือนกับหมาไหลเนือ้อจะต้องมากัดเล่าเร่าก็จะต้องล่มหายตายจากไปเมื่อล่มหายตายจากเล้หสิไปใสอ่ไอปียาราถึงอันนี้จังของร่างกายของบอ่อเทียงร่างกายซึ่งใดบอ่อเทียงซึ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งนั่นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั่นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราล่างกายสังขาบรบ่อแมนของเห่าขนาดร่างกายแท้ๆเห่าเกิดมาอกจากท้องแม่กรอก็ะเดียกกันย่งบอ่อแมนของเห่าและสิ่งอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับเห่าจะแม็นของเห่าใดจังใดไอคิดเบังคักคัดลูกเนื่อนส้านบ้านซองลูกเมียสับสมบัติยดฐานบรรดาซัก ทั้งหลางทั้งปวงพระพุทธเจ้าว่าขนาดร่างกายเจ้าของก็ยังบมเมนของเจ้าของเด้อบาดฮ่าตายแล้วขอเอาไปเผาไฟถิ่มเน้อเมื่อเผาไฟแต่มีแต่กระดูกเด้อมันโมเมนของเจ้าของได้ร่างกายอันนี้ขนาดร่างกายยังบมเมนข อ, ของเจ้าของของอย่างอื่นที่เป็นเจ้าของของเจ้าของไดจังดไดไปคิดบังลูกบาดมันแมนบอสเจ้าของน่นคือไผบัดเนี่ยต้องศึกษาบัด ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าเจกของนั่นคือไผในร่างกายของเข้ามีอยู่สองอย่างพะพูดไทยเจ้าพนวังท่นมีกายกับใจร่างกายในโมเมนของเข้าเรือเข้านี่คือไผ่คือใจบาตรเนี่ยเขาว่าเข้านี่ยคือขี้ใจนบาตรใจคือหน้ามาถ้ำตัวพุลูลูอยู่เดีนี่น่ะที่เข้าลูอยู่นี่ยนะคือใจร่างกายในโมเมนของเข้าเรื่องเข้า่ยคือไผ่คือใจใจคือเป็นโจกของ อ่เป็นเ hmm. จ้าของของหลางกายคือเป็นเจ้ารถเป็นเจ้าของของรถทังสันน่ะเออเจ้ า, าจอของรถเป็นเจ้าของรถทังส er ันน่ะรถเนี่มันโมเมนของเข้าน่ะอีกสักมื่นหนึ่งรถมันสะแตกแต่มันสีตายอยู่เด้อีกสักมื่นนึงเข้าจะต้องหาสื่อรถขั้นไมโยเอาต้องเปลี่ยนรถรถคั้นไม่เข้าใส่ไปใส่ไปใส่ไปมันมดสภาพมดอายุของมันเขาจะต้องเปลี่ยนขั้นไม่อันนี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบมาเห็นยัง ชัดเจนแล้วใกล้ๆวันอราไปอันนี้คือกันแต่ว่าร่างกายเนี่มองเห็นแต่ว่าใจนี่ยมองบาเห็นแต่คนเข้าเนี่ยรถมองเห็นคนขับรถก็มองเห็นเจ้าของรถก็มองเห็นแต่ว่าร่างกายนี่มองเห็นแต่ว่าจิตใจเนี่มองเบาเห็นพอไม่ไผ่จะมองบาเห็นก็ตามเจ้าของเข้าเนี่ยวันอราไปอ่อย่างหลวงพ่ออินนี่นั่งอยู่นี่พึงไผ่จะมองบาเห็นใจหลวงพ่ออินก็เถอะหลวงพ่ออินหูจักอยู่ใจเจ้าของมีได้ เออคือความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดนั่นแนะหะหู้จักโยนไปร่างกายว่าจังไหนสั่งให้ว่าจ่าเป่า้จังไหนแล้วก็ให้เฮ็ดจังไหนอากับกิริยาของร่างกายเอาเอามือประสานกันไหวเองสิละอแต่กระพร้อมกันกับปล่อยออกมาให้ว่าจ่าเป็นคนพูดพูดออกมานใจหู้จังรว่าสั่งสมองใจไปใช้บังคับสมองสั่งสมองให้สมองเป็นผู้สั่ง แว่าจ่าให้พูดแบบนี้พูดแบบนี้พูดแบบนี้นะฮะนี่ะคือใจใจดวงนี่แหละที่พอพูดใหเจ้าให้ความสนใจย่างมากก็หอนอีอไปเออคนว่าใจดวงนี้่เป็นใไงในร่างกายใจดวงนี้คันโมโหโทโ่โศใจมีความโลภความโกรธความหลงขึ้นมากเลยนั่นะหละสิ่งออกมาสร้างให้ร่างกายออกไปเฮ็ดสั่งใหว่าจ่าออกมาพูดเออเมื่อก็เลยออกไปในทางทีโบดี คานว่าใจดงนี่ได้รับการอบรมดีแล้วเอแนะนําดีแล้วให้หูจักศีลให้หูจักธรรมให้หูจักบาปให้หูจักบุญให้หูจักขุนหูจักโทษให้สิ่งหูจักสิ่งที่เป็นประโยชน์และบ่เป็นประโยชน์สิ่งหนี่มันดีนะสิ่งหนี่มันบ่นดีเด้อจงิงจเออข่ะได้รับการอบรมในการพิจารณาไข้ขุ่นไตรตรองเหตุและผลแล้วนั่นแหละใจดวงนั้นก็มีเหตุมีผลขึ้นมาก ใจจริงๆของหูจักบาปหูจักบุญหูจักคุณหูจักโทษยังทีหลวงพ่อเด็กล่าวเบื้องตนว่าโทรทัศน์ก็มีคุณค่าอยู่รับจานรเาเทียมมากเปิดองค์หลวงตาแสดงถ้ำมีคุณค่าแต่ว่าต่อไปต่อไปต่อมาลูกน้องปองไปหลวงพ่อมีหลายองค์เลยพระอทั้งพระทั้งโยมะเปิดไปเปิดมากก็เห็นเขาชกมวยก็เอออยากเบื้องมวยเว้ยมือนมวยโลกเน๊ะ เปิดบังม uh, ้วยเนาะเอ่อก็บอมี่ผมไดคัดค้านเพราะเปิดคือมากขนัานแหละท่นี่เออเหตุมวยตีกันกันอะไรท่าขีตะแล่ใสอะต่อไปต่อมาเอาไปมาม้วยไทยม้วยสาโกนกับมวยเนี่ยเอาไปมากเบิ้งนั่นเรื่องนเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องพ่อนเรศสวนได้เพราะว่าเออเรื่องหนังเรื่องนั่นเรื่องนี้เขามากลยบานเนี้ยเอาไปมากก็ตั้งประเทศเขาเบิ้งนุ๊กเป็นยังไงคนเนี่ยผลในชัวร์กระนวลแล้วบ้านนี่ แหมอินเตอร์เนต็ตเปิดเบังช่องนั้นช่องนี่อืมไขกุญแจเขาไปเบังโลกเขาล้วบาทเลยสกปรกโ ล, กล่งรุงรังมีมัดคู่แน่ อ, อโรดบานนีะ้บาเนี่ยพกผ้านนะพกแน่นจะรับไวบอวันนะจิตใจมันบุ๋มเป็นพลทหารได้บ่เนนะี่ยขันพรลรหารเพิ่นโบจากเบิ้งอกแน่วงสันเพิ่นเบื่อแล้วแต่จิตใจมันเต็มด้วยกิเลสที่มันอยากเบิ้งมันเอาไปพระเบิ้งเขาไปลบนนะบาทเียแห้งพอกพูนเขาบานนะเลยแหม พญายมพอบานรับประวัติประวัยแล้ ว, วน่ะไปสมัยสิกจับย่นุนรกก่อนน่ะไปมาพญายมบา่าเพราะนั้นพวกเขานะ่ะที่ลงพอ่อถ้าจะว่าลงพ่อลาดสมัยกรแมนเนีอยลงพ่อลาดสมัยลงพ่อคิดยังสีวว่แหละเอาหนูไปคิดยังสี่แหละเอี่ยังค่อยยังค่อยเป็นพระธีล่าสมัยลงพอ่อไหวพวกเข้าเป็นพระลาดสมัยเนี่ดีกว่าเนี่ยเป็นพระละพระท่านสมัยเนี่ยท่านไปท่านมามัน ไปทั้งบวแมนบวดีได้อให้พระลาสมัยไวดีให้อยู่ในสินในธรรมไวอย่างหน่อยก็อบอุ่นทั้งด้านจิตใจขึ้นขึ้นไม้ย่ำไรก็สบายใจอุ่นใจพอเห่าอยู่ในศินในธรรมคำนว่าเห่าออกนอกลูนอ ก, นอกทางจิตใจเห่าเหี่ยวแหงได้จิตใจ เ, เหีห่ยวแหงจิตใจอับเฉาจิตใจว่าเวอ้างวางังหมองมีรักจิตใจหมอมีหมองยึดวันนั้นไปจิตใจบมมีหมองยึดเก็ดทกแหละวันน่ะจิตใจทุกข์ร้อนด้วนนไปร้อนไฟนรกมันเผาเด้ เผาบุ้อะไรเผามืญในแดนมันทไมแต่ลึกถึงคุณงามความดีเจ้าของบ่เจอนั่นละแห่ความทุกข์มันจะเข่าสู้จิตสู้ใจของพวกเฮ้าเพราะนั้นพวกเฮ้าให้สร้างสมบุญกุศลไวล้ด้ะทั้งสมสิ่งที่มันบดียาเหตยาทําำยาพูดให้คิดให้ทําให้พูดให้สิ่งที่มันถี่ดีมันถูกต้องเป็นธรรมก่อนที่เหตจึงใดไข้ ค, รควรไตรตรองด้วยเหตุผลเหือก่อนยังคอยเหตคอยทําคอยพูด นิซัมมะกระังเซยโยใข้ควรจะก่อนจึงค่อยทําค่อยพูดค่อยคิดองไปคิดไงคิดคิดดีคิดอย่างไรเมื่สจีถูกต้องทำอย่างไรเมื่สจีถูกต้องพูดอย่างไรเมื่อจีถูกต้องให้มินิซัมมะกระนังเสยโยคคก่อนจคอคอคอคนึคิดขึ้ น, มม ก, น, ยย ก, นก็ต้องเฮาคิดโลบอย่างไรของเขาบอคิดพยาบาทปองไรเขาบอเอคิดจังที่เฮ็ด มันถูกทำน่องข้องท้ำบอถูกทำน่องข้องที่พโมแนคุบาไสจารแนะนำให้คิดบอคิดจังสีวัออไปอบอแมนสิคิดไปหมืดมือมดเว่นคิดไปในทั้งที่เป็นบาปอกุศลมันกรบโบแมนขึ้กันเนี้ยคิดไปในทั้งที่บอถูกต้องอ่คิดเปเรื่องกามาราคาบังคิดเรื่องโทษสาบังคิดพยาบาทอาขาดเขาบัง่ยคิดเสียอกเสียใจในเรื่องเจงตั้งหลายทัางปวงต่างๆบังยังสิมันคิด ออกนอกลูนอกท่างมันก็บบแมนก่อนจะคิดก ah ็ต้องนิสมะกระนังเสยโยการคิดของเขานี่ถูกต้องตามพุทธประสงค์ถูกตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกบอเนีนิสมะกระนังเสยโยการกระทําของเขานี่ที่ทําออกไปเนี่ยมันถูกบอเป็นที่ยอมรับของขู่คนทั้งหลายบอนีนิสมะกระนังเสยโยการพูดของเขานี่เป็นธรรมบอการพูดของเขานี่เออ พูดออกไปแล้วมันสิเสียหายบอลนี่แหละคานาว่าเข้ามีนิส ม, มะกระนั่งเส้ยโย่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยลาบลืน่นถ้าจะคิด อ, อย่งกับบทได้คิดได้อ่านโป่งบ้างออกไปกัรที่ทำเหมือ น, นกับปูปับออกไปข่าหัวขา่าหางไปการที่พูดออกไปกับพูดบุล ป, ปุปปับออกไปเนี่จังสันเหมืนกับปถูกแหละไปเห็นมือนกับปถูกต้องประทำไป ผู้ที่อยู่ใกล้ก็คว้างหูคว้างตาเขาละบันถึงเขาจะพูดถึงพวกพูดจักรจีว่าจะในกระอักกระอ่วนมันไปกานที่เว้าคือจังโพดไปการบวบก็จักจังใดนี่เนี่ยนะเพราะดังพวกเข้าหิวจักเจ้าของเบิ่งเจ้าของเด้อแต่ละมือแต่ละเว้นนะการเบิ่งเจ้าของจังสรรนี่แต่ความสงบลมเย็นเป็นทุกทางด้านจิตใจเอาไม่ได้ลงพอก็ได้บ่าเรื่องแนวความคิดไทยฟังเมาเป็นอย่างลงพอจังลาสมัยมันออกไปนอย่างย่องลงพอจังลาสมัย เจึยงบ่ามีโทรทัศน์โทรทัศน์พิทายุเออจังหลายๆายแห่งจังหลายๆายหม่องเพลินมีว่นนั้นไปนะเป็นสัตวละย่านเขาทำนองลงปูจามวานตรงพอก็เลยละมัดระว่างอยู่วันนั้นไปเราผ่อนนะบอทิน่า